ในช่วงของช่วงเช้าเป็นช่วงที่สำคัญนะพระท่านก็ปฏิบาติพวกเราก็ศึกษาทมของพุทธเจ้าในแง่มุมต่างๆเพราะว่าจะเป็นการส่งเสริมทำความเข้าใจนั้นได้กล่าวอยู่เสมอว่าพุทธองค์เน้นเรื่องสมาธิเป็นหลักและเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตด้วย ความสุขความทุกข์ของชีวิตทั้งหมดมาจากสองตัวนี้เท่านั้นมาจากตัวเห็นถูกและเห็นผิดเรว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสมัมมาทิฏฐิเห็นถูกจะเรื่องอะไรก็ตามสาวไปสามามันจะมาลงสองตัวนี้เท่านั้นะเราจะสุขขณะดไหนทุกข์ขนาดไหนหรือพ้นทุกข์แล้วก็ตกนรกไปนิพพานก็สองตัวนี้เท่านั้นสูงสุดผลสูงสุดของสมัมมาทิฏฐินิพพาน ผ ล, ผลต่ําสุดของวิชาทิฏิก็คือนรกขุมต่างๆะมีความทุกข์กชินิดต่างๆไม่ใช่เป็นขุมนั้นขุมนี้ความทุกข์กชินนีต่างๆเขาเรียกขุมความทุกข์จากเงินจากนี้ความทุกข์จากความอยากจนความทุกข์จากการเป็นหนี้ความทุกข์กจากเรื่องลูกความทุกข์เรื่องทัวถ้าความทุกข์เรื่องลูกนี่แลยนรกขุมปุตตัง เราทุกข์เองลูกเ ร, เราต ก, กนรกขุมปุตต์ตามศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธเราก็เหมือนกันถ้าเราไปใส่ใจแต่คนไม่ฉลาดตกนรกบ่อยแต่คนฉลาดไม่เคยตกเพราะว่ากู้จิตได้ไวแต่คนฉลาดไม่เคยรู้สึกตัวก็ปล่อยจิตไปตามที่กระทบนั่นนี่คือหลักของพุทธศาสนาท่านเร่องใช้คือว่ากุศลกุศ ล, ลกรรมพฤกกรรมที่ฉลาดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม แต่ถ้าหากว่าเรากากรรมวิธีกรรมนุกรรมเป็นอกุศลนี่แว่าไม่ฉลาดอกุศลนี่แปลว่าไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีคือไม่ฉลาดกันเองแต่ความที่ทําอะไรไม่ฉลาดก็แล้วไม่ดีเป็นเป็นผลต่อการจะทําอะไรที่ฉลาดและถูกต้องเป็นกรรมดีไม่ว่าศาสนาไหนไม่ใช่เฉพาะพุทธศานสนานะศาสนาอื่นเขาก็มีกุศลกรรมเยอะแยะแา่พุทธศาสนาของเราเขาก็มีอกุศลกรรมเยอะแยะ เรียกว่าสัมมากัมมันตะนนวันนี้จะพูดถึงเรื่องกรรมเพราะเราสวดกรรมไปเมื่อกีอ้กรมสกมหิกรรมาทายาทกรมยโยนิกมพันธุกรรมปฏิสเลณายังกรมังกะลิสามิกาลยานังวา่าปะปะกังวาตัสสทายาทก ว, วิสามิตเราสวดเราจะสวดเป็นกนกกนคุณทอง วนแต่เราไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงเพราะว่าเราไม่มีการอธิบายไม่มีการทำความเข้าใจไม่มีการชําแหละในเรื่องนั้นนั้นให้ชัดเจนนะฉะนั้นทมของพระอริยเจ้าถ้าชําแหละหรือทำให้แจ่มแจ้งทุกประเด็นชัดเจนแล้วมันเต็มไปด้วยปีติและความาภูมิธรรมภูมิปัญญาเพะฉะนั้น ชาวพุทธที่เป็นอริยบุคคลขึ้นไปไม่ค่อยมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะมีธรรมปิติหล่อเลี้ยงเอาหัวข้อธรรมอะไรมาพิจารณาก็จิตก็ถึงปิติทั้งนั้นเลยแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องวิปัสสนามีแต่ความทุกข์เพอเลยเพราะในจิตไม่มีธรรมปิติอยู่เลยนนึกหัวข้อธรรมอะไรก็ไม่ออกเพราะตัวเองไม่เคยสั่งสมเรื่องกุศ ล, ลกรรมสั่งสมแต่เรื่องอกุศ ล, ลกรรมมันก็เลยนึกแต่เรื่องอกุศลทีนี้ นึกถเรื่องที่มันเป็นทุกข์อ่ะคําว่านึกเรื่องอกุศลอะที่ไม่ใช่เป็นเรื่องความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหันนึกอะไรก็ได้ที่ทําให้จิตไม่สบายนะั่นเป็นอกุศลหมดถึงจะทําดีอยู่ก็ตามให้ทานอยู่ก็าตามทอดกรถินทอดท่าปาอยู่ก็ตามแต่จิตไม่ดีในขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นได้พูดถึงเรื่องหลวงเทียนที่ว่าถ้าเกิดแรงบันดาลใจ ท่านทากุทํากระถินถึงห้าวัดในปีนั้นแต่ท่านก็ยังตกนรกนแรงบันดาลแจของท่านจะขึ้นนรกขุมนี้ให้ได้ล้วขึ้นจากนรกขุมนี้ฉันจะไม่กลับมาเป็นฆราวาสญาติโยมอย่างนี้เอเด็ดขาดาตั้งใจขนาดนั้นนั้นจะงมีความเด็ดขาดถ้าไม่มีความเด็ดขาดกับตัวเองจะตกนรกทุกปีทั้งชาติเลยคือทุกทั้งปีทั้งชาติเ ว่าตรนรกในพุทธศาสนามนไม่ได้มายถึงตายไปแล้วไปตรงคือทุกกายทุกใจแหละเป็นเป็นนรกแต่ทุกมากก็นรกใหญ่ทุกน้อยกว่นนานรกเล็กทุกนานกว่นรกลึกทุกนิดเดียวกันรกตื่นจะเป็นอยู่ย่นั้นเพราะฉะนั้นชีวิตกระหัตชาวบา้านเนี่โอ้โหมันมาเห็นใจจริงบางคนตกนรกทั้งวันทั้งคืนแต่ช่วยอะไรเขาไม่ได้เรามีหน้าที่บอกเท่านั้นเองอแตอนแรกก็ตรนรกทางใจก่อน แต่มากรตุ้มทะลุทางกายต้องทําใจคือใจไม่สบายเพราะใจไม่สบายเบอรเข้าเบอเข้าก็ป่วยเลยพอป่วยก็ตุ้มทะลุทางกายอีกซับซ้อนมากอ่ะ <c oughs> นั้นเองเราจะทํำยังไงให้พน้นนั้นเขาว่านารกมาคำว่านิรยะน า, าริยะแปลว่าสถานที่ไม่ประเสริฐสถานที่ไม่เจริญ เราไปแล้วจิตของเราไม่เจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาจิตของเราไม่เจริญด้วยสติสมาธิปัญญาเนะ่ยนรกมันเกิดนรอาริยะเอาเรามาแปล่าษาไทยว่านารกแต่ว่าภาษามาจากบาลีเขาว่านรอาริยะคือสถานที่ไม่ประเสริฐไม่ดีไม่เจริญไม่มีความสงบไม่มีความสุขนั่นแหละนรก จิตใจของเราที่เต็มไปด้วยมันไม่ <c oughs> งามไม่ดีไม่เจริญไม่สงบไม่สุขนั่นแหละมันเป็นนรกแล้วเป็นเหตุแต่นรกหลังตายมีไหมมีถ้านรกกลุ่มนี้ยังไม่ดับนะไอความจิตของเราที่มันยังไม่ดีพอนะตายไปแล้วก็ต้องไปเจอนรกแบบนั้นอีกไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กรับกี่กันนะแล้นเรื่องการทําใจนี่จะเป็นเรื่องสําคัญมากนะอหลวงพ่อ ได้เรียกว่าอุทิศชีวิตเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะพราะตัวเองตกนรกมาก่อนมันก็เห็นใจคนที่ตกนรกด้วยกันเป็นทุกอย่างเป็นเปรตเป็นอาสุกายเป็นในิัันดร์เป็นสันนรกมาก่อนทั้งนั้นแต่ละคนนะแต่มาแต่มาเห็นได้วัยเี้วไงตกนรกแต่ละครั้งมาเห็นชัดเลยว่าตัวเองร้อนเผาเล่าร้อนไงเห็นชัดไม่เห็นนเมื่อหาทางออกหาทางดินออกหาทางกระโดดออกสิ แต่คนทั่วไปที่ไม่รู้จักนรกตามความเป็นจริงมันไม่ดินแล้วมันแช่ไฟนรกมันก็มุนไปมุนมามุนไปมุนมาเดือดพลดพลดพลเพราว่าเดือดร้อนนี่ไงภาษาเรามันทั้งเดือดและทั้งร้อนด้วยนรกเดือดเดือดก็ร้อนเราใช่คําว่าลําบากเดือดร้อนอันนั้นแหละนรกของจริงเราอยู่ไปหาที่ไหนเคยไหมเคยลาบากไหมเคยเดือดร้อนไหมเคยทุกข์ใจไหมทุกคนเป็นมาทั้งนั้นแหละ แต่ใครจะมากใครจะน้อยใครจะลึกใครจะตื้นใครจะสั้นใครจะยาวใครจะช้าใครจะนานนี่อีกกรณีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจธรรมะของพระองค์พระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยโอกาสรอดนี่ยากจริงที่เรารวมเรียกว่าอบายภูมิคือภูมิที่ไม่สบายภูมิจิตที่ไม่สบายภูมิกายที่ไม่สนุกนั่นแหะเป็น เป็นนรกของจริงไม่ต้องไปกลัวว่าตายแล้วไปเกิดในนรกหรอกกลัวไอ้ที่ทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่ละเวลานาทีเนี่ยนรกเล็กๆก็คือวิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไฟมันเริ่มเกิดแล้วไฟนรกเริ่มติดตรงเรียกวิตกกังวลวิตกกังวลเรื่องเพื่อนวิตกกังวลเรื่องงานวิตกกังวลเรื่องลูกวิตกกังวลเรื่องผัววิตกกังวลเรื่องเมียวิตกกังวลเรื่องเพื่อนไฟน้ำนรกมันไปติดจไดหลาย ออกจากหลุมนี้ก็ไปลบหลุมนี้ออกจากหลุมนี้ก็ไปตกหลุมนี้ออกจากโอ้โหมันมหาศาลจริงๆดังนั้นให้กลัวนะทีนี้จะทํำยังไงอะก็ต้องมาทําจิตให้เกิดกุศลมีทางเดียวที่จะดับไฟนระกได้คือทําจิตให้เกิดกุศลเอาคนในกุศลในพุทธศาสนาก็าเอาทำกุศลด้วยกันนะทําบุญด้วยกันนะเสียสละเงินทองบริจาคเท่านั้นเท่านี้ไปทาง น, นั้นอีกเนี่ย มันไม่ใช่กุศลที่ถูกต้องโดยตรงเนะืเพราะว่ามันหนึ่งในร้อยส่วนของกุศล น, นะแต่ว่ากุศลที่มันเราทําแล้วมันได้เยอะทําแล้วมันตรงทําแล้วมันมันล้างบาปได้นะควรจะเป็นกุศลแบบไหนนี่แหละกุศลเกิดจากวิปัสนาการทําวิปัสนาถ้ามาไม่พบวิปัสนาญาไม่พบหลวงพ่อเทียนนะไม่รู้ว่าไปอยู่ตึกนรกอีกนานเท่าไหร่ โอกาสที่ขึ้นก็ยากด้วยนะลยแล้วเมื่อไหร่เราจะพบพระอริยเจ้าเมื่อไหร่เราจะพบอะไรพระอรหันต์เมื่อไหร่เราจะพบความสอนของพุทธเจ้าเราไม่รู้เลยอ่าไม่รู้เลยเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้ธรรมะของพุทธเจ้าก็ไม่มีสิ่งที่จะเป็นสื่อสารนําทางไปสู่ไชจธรรมอันสูงสุดได้แต่นี้เราโชคดีโชคดีได้พบครูบาอาจารย์พบไกรนามิตร หลวงพ่อเทียนพบพระอาจารย์ในสายงานหลงพเทียน <c oughs> ที่ท่านมีประสบการณ์ในการตกนรกขึ้นสวรรค์มาก่อนเราท่านก็นําสิ่งเหล่านี้มาสอนมาบอกเขาเรียกว่าพระมาลัยเนียอามาเกิด เ, เอามาตั้งชื่อเป็นนามกายอย่างนั้นพระมาลายลาภประสเวโกมันจากประสเวกัดเพราะเวกันเป็นนรกพระมาลายก็ไปโปรดเพราะฉะนั้น พระมาลายนี่หมายความว่าท่านเคยตกถ้าท่านว่าบอกว่าพระมาลายตัวจริงก็คือท่านพระมหาโมคคลานะณนั่นแหละพรมหาคลานาท่านมีฤทธิ์มากท่านเอาไปตรงนั้นก็ได้ไปนรกก็ได้ไปสวรรค์เอาข่าวนรกมาบอกว่าขี่อยู่ในสวรรค์เอาข่าวในสวรรค์บอกคนมนุษย์เอาข่าวในมนุษย์ไปบอกสัตว์นรกเอาข่าวจากนรกมาบอกสัตว์มนุษย์นี่เงี้ยท่านก็จะเด like ินทางไปเดินทางมาอยู่างนี้จะเรียกพระมาลายน่น่ะตังนั้นเอง ก็ได้แก่ผู้ที่เป็นสองความหมายความหมายที่เป็นรูปธรรมกับความหมายที่เป็นนามธรรมาความหมายที่เป็นรูปธรรมก็คือคือได้พระอริยะที่ท่านมีฌานมีอภิน ญ, ญายสูงเป็นพระหันท่านต้องการท่านมีบุญบารมีที่จะช่วยเหลือคนเนี่ยท่านก็เอาข่าวดีมาบอกท่านนี้เอาข่าวร้ายไปบอกเท่านั้นแล้วข่าวดีคนจะเพิ่มเติมรักษาอย่างไรข่าวร้ายคนจะแก้ไขยอย่างไร นี่เขาเรียกว่าไปโปดรดพระมาลายมาโปรดใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมภาพพระมาลายถืออะไรยมเชิ่มเคยเห็นไหมถือดอกบัววางถือตละลปัดะด่างว่างานนะอ <c oughs> เ ห, นหอ็นนี่นั่นไปโปรดหมายถึงเอาข่าวมาบอกอ่ะเอออย่าทําอย่างนั้นนะมันทําให้เดือดร้อนนะเออทำอย่างนี้เยอะๆหน่อยมันทําให้สบายใจนะโอ้เราก็เลยโชคดีได้พบพระมาลายหลายองค์น่ะ แล้วถ้าท่านเอาข่าวแล้วมาบอกแล้วก็เชื่อท่านแล้วก็ทําตามแล้วก็ทําตามโอ้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว<น>ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่พบละ่ะเป็นเรื่องที่ร า, ายกาดมากไม่รู้จะไปตกนรกอีกกี่โลกกี่ชาติกี่กลับอีกันตนลกนรกเรื่องผัวตกนรกเรื่องเมียตกนรกเรื่องลูกตนลกนรกเรื่องเพื่อนตนลกนรกเรื่องงานตนาลกนรกเรื่องเจ้า น, นายตกนรกเรื่องเศรษฐกิจตกนรกเรื่องการเมืองตงนลกนรกเรื่อง โอ้มันเยอะมันหลายหลุมเหลือเกินเนยนะไม่รู้ตกหลุมไหนบ้างแต่และหลุมมันตกหมายควาะว่าถ้าไปคิดเรื่องลูกนานก็ตกนรกปุตตะอย่านงะตกนรกมันมไปคิดเรื่องสามีนานคิดในทางอากุศล น, นะแต่คิดทางกุศลไม่เป็นไรแต่คิดในทางอากุศลมนะันเป็นนรกม อ, อ่ อ, อนขึ้นมาทันทีนั้นะจึงอยากจะให้ศึกษาเรื่องนะี้อย่างจริงจังนะ แต่ศึกษาด้วยความรู้ความเข้าใจนะถ้าศึกษาด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจก็กงมงายไปอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันตกนรกลึกเข้าไปอีกน่ะเคยเห็นไหมพระหันตรงนรกนเห็นไหมนักปฏิบัติธรรมตรงนรกนะมีเยอะแยะไปนะก็ถือโอกาสธรรมะของพระพุทธเจ้านะพวกมิจฉาทิฐิถือเอาคําสอนของท่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาอยู่หากินแสวงหาความสงบสุขสบายแสวงหาราบยศชื่อเสียงอะไรเนะี่ย เนี่ยพวกนี้จบมนลกลึกดัะนั้นเองพยายาม เ, าเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยลองทําอะไรให้มันถูกต้องดูบ้างดิอะไรมันไม่ถูกต้องที่ที่แล้วมาก็แล้วไปที่ไม่ถูกต้องแล้วมาแล้วไปนะต้องลองฝึกแต่เรื่องกายไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาฝึกโยคะฝึกออกกำลังกายเอามันเน้นถึงความถูกต้องเป็นหลัก ต่เน้นแล้วนั่นเองมึงคนก็ยังไม่ถูกอยู่ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่มีกุศลคือไม่ฉลาดอยู่ปรับตัวไม่ถูกปรับตัวยไม่เป็นเพราะนั้นเขาบอกกุศลว่าจีกรรมที่เป็นกุศลมโนกรรมที่เป็นกุศลกา ย, ยกรรมที่กุศลหมายถึงฉลาดทำฉลาดพูดในฉลาดคิดและศึกษาเรียนรู้อะไรได้เร็วได้ถูกต้องนี่ก็เรามีกุศลไง ดังนั้นเองแต่ก็อย่างว่าเราไม่ได้สั่งสมกุศลหรือว่าความฉลาดมาเท่านั้นเรางง่มาเท่านั้นแหละแต่มาอาศัยฝึกบ่อยๆเรื่องเนี้มันทําไม่ถูกทํามันยังสิครั้งแล้วมันยังผิดอยู่ไหมแต่ทำํำโบราณเถอะฮะแต่อะไรน้ำหนึ่งถึงสิบท่านหมายมีความหมายอย่างนั้นนะบางเรื่องบางราวเนี่มันยากทำสองคําง้างครังไม่จําไม่ได้สามครั้งไม่จําไม่ได้ห้าครั้งก็จะทํามันสิบครั้งเลย ถ้าสิบครั้งยังจำไม่ได้เนี่ยหมายความว่ามันโหเราไม่มีกุศลมาเลยจริงๆต้องสร้างกุศลบ่อยๆนะแต่เ า, าเองมีประสบ ก, การณ์อย่างนั้นพอตัวเองเป็นคนงโง่คนหนามาก่อนเนี่ยก็ต้องแก้ไขแล้วแล้วเราแต่โชคดีตรงที่มาพบคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้ามาพบกุศาอาจารย์อย่างวพอเทียนมันก็ทำให้ความโง่ความหนาของเราเนี่ยบางลงเรื่อยๆด้วยการทาสิ่งนั้นบ่อยๆ ทำห้าครั้งเจ็ดครั้งมันยังไม่ดีทำมันสิบครั้งยี่สิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งไปเลยรู้ว่ามันจะ <c oughs> ทำขนาดนั้นมันจะเป็นไหมกุศลอกุศลของเราที่มันหนาเต่ะมาเนี่ยมันก็ฟังลมบางลงนี่เพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาท่านจึงเน้นศรัทธาและความเพียรถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรขนาดนั้นนะยากนะที่จะแปลงขัดเกลาอกุศลให้มันเป็นกุศลเนี่ยนะยากการเดินโยมสร้างจังหวะแต่ละครั้งนั้นมันหมายถึงการ สร้างความฉลาดใส่ตัวเองการเดินโยกุมจ้างสร้างจังหวัดแต่ละครั้งหมายถึงการแก้ข้อผิดพลาดของความคิดและการกระทําทางกายวาจามันมีความหมายอย่างนั้นนะทีนี้เราเดินจยกุม่งสร้างจาาังหวะมาหมื่นครั้งแสนครัง้งหมื่นครั้งแสนหนนเนี่ยมันยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันทําไม่ถูกคือทําใจไม่ถูกอ่ะสร้างไปอย่างนั้นเองเดินไปอย่างนั้นเอง แต่ว่ามันไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการทําอย่างนี้ก็มีประโยชน์น้อยเรานั่งกรรมาฐานนั่งภาวนาทั้งคืนทั้งวันแต่ว่าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนเคยพูดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเคยคิดอย่างไรก็คิดอย่างนั้นนะเคยทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นที่ อันนั้นจึงอยากจะให้คนทุกคนที่มาทำแสงเทียนนั้นมาเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่ผิดพลาดมานานเอามาผ่านมาหลายๆแห่งนะแต่การที่จะมาสอนถูกต้องทุกแง่ทุกมุมเนี่ยเราต้องพิสูจน์นะไม่ใช่คิดเอาเองพูดเอาเองนะประเด็นไหนที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนรู้ให้มันชัดเจนใช่ก่อนแล้วค่อ ย, ยนํามาพูดค่อยนํามาสอน ประเด็นไหนที่มันค้างๆคาคาคุมคุมเครืออยู่ยังต้องทําต่อไปต้องพิสูจนต่อไปนี่ขนาดเรื่องง่ายๆตื้นๆอะเรายังทําไม่ถั่อแล้วเรื่องลึกๆเรื่องของจิตของใจอะมันไม่มีตัวไม่มีตัวนั้นเป็นนมามธรรมถ้าเราทําเรื่องง่ายๆมันผิดแล้วเรื่องยากๆเรื่องละเอียดมันจะผิดไปขนาดไหนเนี่ยตรงนี้อามาถึบอกว่าอามาอยู่ที่ไหนก็ตามในช่วงชีวิตเนี่ยจากนี้ไปจะทำแต่เรื่องึี้ นะจำไปจนตายแล้วนะคิดที่ไม่ถูกพูดที่ไม่ถูกทำที่ไม่ถูกเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตมายาวนานเราก็รับกรรมอย่างนั้นมาตลอดอรู้มาตลอดเนี่ยเราได้รับกรรมเยอะ่พราเราไปพูดอย่างนี้มานะแม้แต่ทุกวันนี้นก็มีกรรมตกค้างมาอยู่นะไม่ใช่หมดหมดนะเพราะเราทำผิดมานานพูดผิดมานานและคิดผิดมานานมันก็จะมีผลส่งต่อเราไปเรื่อย จนผมจะหมดอำนาจของมันแต่เราได้รับวิบากกรรมทางเดียวคือทางกายทางจิตของเรามันสัมผัสได้แล้วว่ามันรู้แล้วว่ามันไม่ทําผิดละแต่กายต้องรับวิบากต่อไปอย่างพ่อหลวงพ่อมหาบุคลาณาเห็นไหมท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็ยังรับวิบากกรรมต่อจนถูกถูกท้องถู ก, ถ ก, ท, ถกทำร้ายจนกระดูกแตกเป็นไม่ข่อสารขนาดนี้ เพราะท่านเคยทําร้ายพ่อแม่เมื่อก่อนในภพชาติคือก่อนนั้นกรรมนั้นมันหนักเกินไปแม้แต่บรรลุธรรมเป็นพระหันแล้วก็ยังไม่สามารถแต่ท่านได้รับกรรมด้านเดียวคือเรียกว่าเศษกรรมคือทางกายทางจิตนั้นมันพ้นแหละพ้นจากกรรมแต่ทางกายนี้ไปห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของอานิจจังทุกขังนราตาต้องสนองกันตามนั้น อันนั้นก็จะไม่ต้องแปลกใจว่าไอ้ครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ท่านบรรลุธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมแล้วทําไมท่านต้องเจ็บต้องป่วยอันนั้นเป็นเศษกรรมที่ท่านเคยประมาทสร้างมาเราต้องเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะลังเลสงสัยว่าท่านก็ทํำปฏิบัติทำมาตลอดทําไมท่านยังเจ็บป่วยทําไมท่านเป็นอันนั้นอันนี้แหละต้องเข้าใจนั้นคือหลักของกรรมเราจะไม่ลังเลสงสัยเพราะเป็นกรรมของท่านกรรมท่านจะสร้างเมื่อไหร่ไม่มีเคยรู้ เพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไเรเพิ่งมาเจอกันไม่กี่ปีเนี่ยเพราะฉนั้นเราจะมาตัดสินแต่สิ่งที่เห็นเฉพาะหน้าว่ามันดีอย่างนั้นมันช่วงไม่ใช่ทุกคนมีฮิสตอรี่มีประวัติความเป็นมาของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะเพะนั้นพูดถึงว่าแต่จะไม่เน้นสัมมาทิฏฐิแล้ววันนี้พรอเน้นมาบอ่อยแต่วันนี้จะมาเน้นสัมมารกรรมมันตะคือการกระทําที่ถูกต้อง ในองค์ของสัมมากัมมันตะเนี่ยมีคำจำกัดความอยู่สามอย่างนะคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการนี่สามอย่างเนี่ยสามอย่างนี้เป็นเป็นองค์ของสัมมากัมมันตะ แต่ว่ามันจะเป็นองค์แบบขยายจากกฐาคาอาจารย์หรือว่าเป็นองค์ขยายแบบที่พระพุทธองค์ตรัสมาเองอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่เรื่องมรรคแเนี่ยงพระองค์ตรัสมาเองแน่นอนแต่ให้การให้ definition หรือคำจำกัดความของแต่ละขอ้อ mm hmm. เช่นว่าไอสัมมาทิฏฐิเนี่ยคำจำกัดความของเขาก็คืออริยสัจสี่สัมมาสังกัปปะคำจำกัดความของเขาก็คือการดาริ การออกจากกรรมเรียกว่าในข ม, มดำริในการไม่เบียดเบียนอวิหิงสาสังกปัดําริในการไม่พยาบาทอพยาประธสังกปะนเนี่ยท่านให้คำจำก่ัดความแบบนี้พมาเองก็ไม่ได้เข้าไปลุงลึกละเอียดในแง่ของคำพีตําราเท่าไหร่นะแต่เพียงแต่ว่าสงสัยนิดหนึ่งว่าคาจํากัดความแบบนี้เกิดจากอธิกาจารย์ชั้นหลังหรือว่าโพโหให้จํากัดมาเอง อันนี้ก็ถูกต้องอะนะแต่ว่าบางทีมันคับแคบไปอย่างสมมุติว่าสมากรรมตั๋งเนี่ยนะว่าการไม่ฆ่าสัตว์เป็นเรื่องที่ถูกต้องแน่นอนการไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกรรมเป็นเรื่องถูกต้องแน่นอนแต่ว่ายังอื่นอีกมากมายอนะ่ะแต่ท่านก็ขยายความว่า การไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยมันต้องรวมถึงไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ลังแกสัตว์ทุกรูปแบบแต่คาว่าสัตว์ในที่ท่านหมายถึงแค่ไหนเนี่ยนี่คือความที่ท่านไม่ได้ขยายต่อว่าแค่ไหนเพราะว่าสัตว์มันมีเยอะเนี่ยนับตั้งแต่สัตว์ชั้นสูงลงมาตั้งแต่เทวดาลงมาตั้งแต่เทวดาลงมา เทวดาแต่อินพรหมนี่ท่านก็ใช้บีองท่านนีเเนี่ยก็ยังเป็นสัตว์อยู่นะเกรดบีแปลว่ากม่ใช้ Be องอยู่ Be อิงแปลว่าสัตว์เกรนยอเฮลนะันก็ยังใช้คว่า B ีงอยู่นั่นหมายความแม้แต่พรหมลงมาถึงสั์นรกเนี่ยยังเป็นสัตว์อยู่แต่นับตั้งแต่พระอริยบุคคลขึ้นไปเนี่ย อะท่านมันไม่ใช่สัตว์แล้วใช้คําว่าหนุบวานอยเงี้ยคนประเสริฐสเต็ปไหนก็ว่าไปตามนั้นดังนั้นเองเราเป็นสัตว์ชั้นสูงตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปถึงพรมเรียกว่าสัตว์ชั้นสูงเป็นไฮคลาสส่วนสัตว์ชั้นต่ําก็ตั้งแต่นับตั้งแต่คนลงไปถึงสันนตว์นรกคนที่ก็เหมือนฉาชั้นตำน่ำนะถ้าใหต่ําก็เป็นได้แต่เพียงคนในพระิตธิของพระพุทธทาส ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเพราะความเต็มที่ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงใช่ไหมเหมือนอย่างอยู่มีดีที่แววคนหากใจต่ําก็เป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมานีาเ่เดชคำจำกัดที่อาจารย์พุทธาให้ถ้าใจต่ําก็เป็นคนอยู่หมายความว่าคนนี่ยังไม่แน่คนเนี่ยไปไม่แน่ไม่รู้ว่ามันคนเปลี่ยนไปคนกันมาไม่รู้จะแม่เมื่อไหร่นี่แนี่ย ถ้าอะไรยังไม่แน่นอนแล้วก็กลับไปเป็นคนอยู่แต่ถ้ามันแน่นอนขึ้นมามีศีลห้าแน่นอนมีความกตัญยูแน่นอนฝักใฝ่ในศีลในธรรมแน่นอน่ะชับเป็นมนุษย์ได้มีฮิริอุตตระมีศีลมีธรรมแน่นอนเป็นเทวดาแล้วนี่ดังนั้นจึงเราเรียกไปว่าคนนะดังนั้นเราต้องเข้าใจรายละเอียดอย่างนี้เราเดี๋ยจะทําได้ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเราทําไม่ถูกต้องคือทํำลวกลวกไง ทำลวกลวกทำผอผันผ่านเห็นเขาทำก็ทำไปงั้นแต่ไม่รู้มันถูกหรือเปล่านั้นเวลาเรามาไปสาธิตกันทำโยคะการออกกําลังกายเอามาจะเน้นให้เห็นถึงว่าเนี่ยคุณให้ละเอียดทางกายาไว้ก่อนนะการทําโยคะการฝึกก็คือการสอนเรื่องกายกรรมนั่นแหละถ้าไม่มีเราไม่ทําเรื่องนี้เราไม่มีอุปกรณ์ในการสอนการทําโยคะการทํา ให้เกิ ก, กันทําที่กงการอาอกกำลังกายเอามาต้องการเป็นอุปกรณ์ในการสอนด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะกายกรรมเรายังทําให้ถูกอ่ะวจีกรรมมัละเอียดขึ้นไปจะถูกได้ไงมโนกรรมยิ่งละเอียดขึ้นไปมันก็ยิ่งยากในการที่จะให้ถูกใช่ไหมดังนั้นเองในอริยวินัยหรือปาติโมกสังวรท่าน เน้นในเรื่องการสำรวมระวังถ้าเราสำรวมระวังโอกาสที่จะทำถูกได้มากทำอะไรแบบระมัดระวังเราจะทำถูกได้มากแต่ทำอะไรแบบไม่ระมัดระวังไม่สังวรสะเพร่าเนี่ยโอกาสแม้จะทำดีก็ตามนะ <c oughs> โอกาสทำผิดมีมาก <c oughs> ดังนั้นเองก็จึงอยากจะให้เราทั้งหลายเนี่ยศึกษาเรื่องนี้อย่างถี ท, ทวนและจริงจัง การเดินจุกรมการสร้างจังหวะมันหมายถึงการเพิ่มกุศลกรรมแต่บางคนไม่แยบคายพอเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ฝึกฝนหรือฝึกฝนตัวเองมาน้อยเนี่ยแม้เดิจุกรมสร้างจังหวะอยู่มันก็จะพาคิดอกุศลไปได้อะจะว่าไงเดินจุกรมไปคิดถึงเรื่องที่จะไปเบียดไปเวียนไปกระทบกระแทกไปพูดคนนั้นไปใส่คนนี้อยู่เนี่ยมันก็เป็นอกุศลอยู่ นเพราะฉะ น, นั้นในสัมาคัมมันตะองค์แรกของของเขาก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทํำลายสัตว์บางคนสูงขึ้นไปถึงไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยนะพวกที่กินเยนทั้งหลายก็าบอกมันผิดศีลข้อหนึ่งไอ้เดี๋นี้นําไปสู่ความขัดแย้งแต่เพราะคนที่เขากินเนื้อเขาก็ไม่ยอมเลยไปว่าเขาฆ่าสัตว์ไปว่าเขาผิดศีล ข, ข้อหนึ่งไอ้คนที่ทําได้ปฏิบัติได้ก็ โปรโมทโฆษณาตัวเองว่าตัวเองไม่ฆ่าสัตว์บริสุทธิ์มันก็สร้างความผิดแยงให้กับสังคมเขาจุดนี้เนี่ยมันมีข้อตัดสินยังไงข้อตัดสินว่าการกินสัตว์เนี่ยผิดศีลไหมต้องมาดูว่าเราเรากินสัตว์กินเนื้อหรือกินอาหารหรือกินผักมีคนไปถาม แต่นั้นมันเกิดความขัดแย้งในสังคมเนาะทั้นั้นหลวงพ่อพุทธทาสยังมีชีวิตยอยู่มีคนไปถามก็เห็นว่าเป็นนักปราบที่ตัดสินความถูกความผิดของศีลธรรมได้ในช่วงนั้น น, นนะนีคนก็เชื่อถือไปถามท่านมีความขัดแย้งพวกกินเนื้อกิกกนผักเนี่ยก็คนมีคนไปถามว่าหลวงพ่อตอนนี้สังคมก็ยังขัดแย้งว่าพวกบอกกินเนื้อเป็นการผิดศีลพวกหนึ่งบอกว่าไม่ผิดเนี่ยหลวงพ่อจะว่าไง มันก็ผิดทั้งสองทางอนะ่ะท่านวัดนะคนไหนสําคัญตัวตัวเองว่าเป็นคนกินเนื้อไอ้คนนั้นมันก็เป็นเสือแต่คนไหนสําคัญตัวเองว่กากินผักไอ้พวกนั้นก็เป็นควายว่างั <c oughs> ้นเจ็บ ม, มากเลยว่างั้นเจ็บ ม, มากเพาพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้กินเนื้อถ้านไม่กินผักท่านให้กินอาหารอ่า ถ้าให้กินอาหารอาหารมันจะเป็นผักก็ได้เป็นเนื้อก็ได้เพราะไม่ได้ตั้งเจตนาอย่างเราเป็นพระเนี่ยเป็นเป็นนักบวชนักบอกทําตนให้เป็นคนเลี้ยงง่ายที่ชาวบ้านเขากินยังไงก็ต้องกินอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราไปเลือกว่าเป็นผักเท่านั้นนะเนื้อฉันไม่กินนะแล้วไปอยู่หมู่บ้านไหนที่เขากินกันแต่เนื้อผักเขามีน้อยเราจะเบื่อแย่เขาได้ไงเนี่ยไอ้ข้อขัดแย้งมันก็เกิดขึ้น อัอนนี้งั้นพุทธศาสนามันก็ถูกจํากัดดิเพราะน้องก็กลายเป็นลทัทธิขึ้นมาลัทธิกินผักลัทธิไม่กินเนื้อบางทีอาจจะไม่ใช่พุทธศาสนาที่ถูกต้องก็ได้พุทธศาสนาที่ถูกต้องต้องดําเนินตามสายกลาง ไ, งไม่สุดตรงไม่สุดตรงเรื่องผักไม่สุดตรงเรื่องเนื้อเนื้อก็ได้ผักก็ได้ขอให้เป็นอาหารแต่มันผิดตรงที่ว่ากินอาหารเนี่ยต้องมีโพชนเนมัตันยูตา เอาความพอดีเป็นประมาณจะกินผักไม่ใช่ผักไม่ใช่เนื้อมันก็ทําผักทั้งเนื้อแต่ขอให้มีโพชเนมัดตันยุต่าตรู้ประมาณคําว่ารู้ประมาณนั้นไม่ใช่ว่ากินพออิ่มนะไม่ใช่อย่างนั้นมันคับแคบไปทํารู้ว่ารู้ว่าประมาณนะอาหารนั่นถูกกับธาตุตัวเองไหมต้องประมาณอาหารนั่นถูกกับไอเจริตหรือทำให้ตนเองยึต้องเปน็นโรคไว้ไข้เจ็บไหมรู้ประมาณตรงนั้นด้วยถ้าเรากิน อาหารมันผิดถึงแม่กินพอดีแต่มันแสดงต่อโลกเราอะ่ะเดี๋ยวแล้วเราเป็นโรกร้อนเราไปกินอาหารร้อนก็เพิ่มโรคเราเป็นคนเย็นไปกินอาหารเย็นก็เพิ่มโรคต้องสมดุลกันอีกนี่เขารู้ประมาณเขาว่ารู้ประมาณในอาหารไม่ใช่เรื่องเยอะกินพอดีเท่านั้นนะต้องรู้ประมาณตนด้วยว่าตนเองเนี่ยเป็นคนธาตุแบบไหนธาตุสีของเราเนะ่ยเราเป็นคนธาตุไหนดินน้ํำลมไฟเขาบอกมาเนี่ยในหมดกรรมาฐานเราเป็นคนธาตุดินหรือธาตุน้ําถ้าเราเป็นคนธาต ไฟแล้วก็ไปกินไฟเยอะๆกินของร้อนเยอะๆมันก็ไฟ ก, ก็กำเริบเรวก็ไม่สบายเลยของร้อนก็มีเยอะแยะนะพวกเครื่องเทศทั้งหลายนะของร้อนทั้งนั้นผักบวบหัวหอมผักคะน้าพวกนี้ของร้อนทั้งนั้นนะถ้าเราไปกินร้อนเข้าไปอีกแทนที่จะเป็นอาหารที่ให้ความพอดีกับร่างกายใช่ไหมเป็นอาหารที่ทําให้เราเดือดร้อนอีกนี่คือเราไม่รู้ประมาณในการบริโภคเราประมาณไม่ถูกว่ามันเป็นอาหารร้อนอาหารเย็น หรือเราเป็นคนธาตุเย็นนะเป็นคนธาตุน้ําธาตุเย็นไปกินอาหารเย็นเข้าไปอีกออะไรที่เป็นของเย็นนะก็ไปดูนะไปแยกดูธาตุเย็นพวกยายันนางพวกอะไรแก้วมังกรอะไรที่เย็นๆพวกผักเย็นทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเป็นคนธาตุเย็นไปกินเย็นเข้าอีกโอกาสที่จะเป็นวัดเป็นไอเป็นหาไปร้อนมีอีก แต่ว่าหมอทางเลือกปัจจุบันโอทุกวันเนี่ยโรกมันร้อนเพราะฉะนั้นกินเย็นไว้ก่อนอันนี้ก็บางคนเท่านั้นนะไม่ใช่ทุกคนนะก็ต้องมีทางเลือกให้เขาด้วยไม่ใช่สุดตรงแต่เราต้องบอกว่าเออส่วนใหญ่อันนี้ถูกต้องเออส่วนใหญ่มันเป็นอร้อนนะเพราะฉะนั้นกินเย็นไว้ก่อนส่วนน้อยเท่านั้นที่คนเย็นแล้วก็ไปกินเย็นไม่ได้อันนี้ต้องว่าเป็นส่วนเอาไว้แปลว่าทั้งหมดไม่ได้เพราะคําสอนฮูด้ดเจ้าทนาย่วิพัชวาฒะคือแยกพูดอ่า ไม่ใช่ว่ามันทั้งหมดแยกพูดก็อันไหนมันเหมาะอย่างไรนะเรียกวิพัชวาตในคำสอนของเราอันนั้นนี่ต้องต้องละเอียดในตรงนั้นด้วยนะนะไม่อย่างนั้นเราก็ประมาณไม่ถูกไอ้ฉันก็กินพอประมาณถ้ากินน้อยๆเนีย่นยทำไมฉันป่วยละเพราะชนิดของอาหารมันมันไม่ถูกประมาณไม่ถูกอาหารบางอย่างแสลงแก่ธาตุอาหารบางอย่างสารแสลงแก่โรคเราต้องประมาณให้ถูกทีเดียว กินแล้วไม่มีกําลังไอ้เรื่องเรื่องอ้วนเรื่องผอมไม่สําคัญสําคัญว่ามันมีกําลังไหมอ้วนมีกําลังก็ดีนะผอมมีกําลังก็ย mention, ิ่งผอมก็ยิ่งดีมันสบายอ้วนมีกําลังก็ยิ่งดีกําลังมันเยอะใช่ไหมแต่ทั้งอ้วนทั้งผอมถ้ามันไม่มีกําลังอแสดงว่ามันเป็นโรคแล้วเนะี่ยอ่าแต่สินก็เรียมีพมลังชีวิตไหมอ้วนก็ดีผอมก็ดีถ้ามันมีพลังชีวิตอ้วนก็ดีผอมก็ดีพอดีก็ดีถ้ามันมีพลังที่จะทํางานได้ ไม่มีโรคภัไข้เจ็บอ้วนก็ไม่มีโรคภัยไข้เ จ, เจ็บก็ถือว่าใช้ได้ผอมแบบไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ถือว่าใช้ได้ดูกันตรงนั้นแต่ทุกคนเนคนกลัวอ้วนแต่ไม่คํานึงว่าตัวเองมีพลังชีวิตพอไหมไม่คํานึงว่าตัวเองมีโรคภัยไข้เจ็บไหมน่เนี่ยเรื่องเฉพาะเรื่องกินเรื่องเดียวเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเห็นไหมนี่คือสัมมากัมมันตานะคําจำกัดความว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็หมายถึงว่าเราฆ่าสัตว์เพื่ออะไรอ่ะ ก็เพื่อมาเป็นอาหารนั <ics> <ento> ่นแหละแต่ค่า ah สัตว์มันก็้างขวางอย่างอื่นบางทีค่าสัตว์มันไม่ได้เป็นอาหารก็มีนะค่าสัตว์เป็นเกมกีฬาก็มีนะอย่างอเมริกาเนี่ยไปตกปลายุโรปอเมริกาไปตกปลาเป็นเกมกีฬาเพราะอะไรเพราะไม่มีงานจะทําไปตกปลาเป็นเกมกีฬานะมันก็เลยเป็นสร้างบาปโดยโดยความไม่จําเป็น คนยุโรปอเมริกาจึงเข้าใจธรรมะยากเนี่ยเพราะเอาความสุขสนานเขาเรียกว่าเป็นมีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นสนุกสนานบนความทุกข์ของผู้อื่นถึงแม้ว่าตกปลามาแล้วไม่ไม่เอามาปรุงอาหารกินเขาบอกไม่เป็นบาปไม่เป็นยังไงปลาติดเบ็ดเกี่ยบปากจะตายเราเอาบาปเอาเบ็มาเกี่ยวปากเราดูบ้างได้ไหมดิ มันคิดถึงตัวเองนะอย่าไปเอาว่ามันไม่เจ็บที่ไหนได้ปากมันฉี่มันขาดเลือดมันเคยชุยเคยจายมันมันเจ็บปวดใจมันพิธีปาร์ทนมันอาจจะป่วยตายก็ได้ถึงปล่อยไว้ก็ตามเนี่ยเห็นไหมสร้างบาปรือไม่จําเป็นเยอะๆนะคุณยุโรปอเมริกานี่เฉพาะเรื่องฆ่าสัตว์เรื่องเรื่องเดียวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอาหารมันสัมพันธ์กันอะเอาทีนี้ฆ่าสัตว์มนุษย์ไอคนนี้ไม่พอใจไอคนนี้ไปฆ่ามันก็ไม่ได้เอามาเป็นอาหารน่ะนะ แต่มันฆ่าเพื่อแก้แค้นเพร่อฆ่าเพื่อความสะใจบางทีมันก็ไม่ฆ่าละแค่เบียดเบียนกูมไม่ชอบคนนี้ก็ใช้คําพูดเบียดเข้าไปพูดให้เจ็บใจอันนี้ฆ่าชั้นลึกทีเดียวอ่าหรือไม่ชอบคนนี้จ้างคนนี้ไปฆ่าคนนี้จ้างคนนี้ไปตีหัวคนนี้นี่เห็นไหมไอ้เฉพาะเรื่องไม่ฆ่าสัตว์เรื่องเดียวฟานาทิบัตเรื่องเดียวมันครอบคลุมไปกว้างขวางมากมายมาถึงสงสัยว่า คำจํากัดความนี่มันถูกต้องหร่าคนไม่ครอบคลุมแต่เราก็อาศัยมาขยายเอาให้มันครอบคลุมเท่านั้นเองอันนี้อาจจะเป็นความฉลาดของอาจรย์ถาจารย์ก็ได้ต้องการให้คนชั้นหลังเนี่ยพัฒนาปัญญาด้วยเองนะท่าจะบรรจุว่าเยอะแยะตามที่เราขยายอย่างนี้ก็ไม่ได้ะเนื้อที่ไม่พออไม่ฆ่ายสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทํำลายสัตว์แต่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยบางคนบอกว่า อย่างสมัยหนึ่งเดี๋ยวปัญหาขาัดแย้งเรื่องการเมืองใช่ไหมบอกฆ่าคอมนี์ไม่บาปคือดินใช่ไหมฆ่าคอมนี้อคอมนี้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นคนหรือเป็นสัตว์อ่ามันก็เป็นคนนมันก็เป็นสัตว์นนะฆ่ามันก็บาปไม่ยังคำพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ให้ฆ่าคนไม่ให้ฆ่าคอมนี้แต่ให้ฆ่ามิจฉาทิฐิถ้าคอมนต้นั่นหมายถึงคนเป็นมิจฉาทิฏฐิให้ฆ่ามิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ฆ่าคนที่เป็นมิจฉาทิฐิ นี่ให้ฆ่าตัวนั้นคือฆ่าความเข้าใจผิดไม่ใช่ไปฆ่าคนที่ทําผิดคนไม่มีอยากไม่มีใครอยากทําผิดแต่ถ้าเขารู้่แต่ที่เขาทําผิดเพราะเขาไม่รู้ก็ไปปิดให้เขาเป็นสมาธิถี่แค่น้ำเป็จบจะไปฆ่าเขาทําไมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคนเราไม่ได้นับถือศาสนาทุกคนใช่ไหมเป็นชาวพุทธเหมือนกันแต่เขาไม่ได้นับถือพุทธนะเขาไปนับถือผีถือพรางถืออัตตาตัวตนถืออํานาจบาดใหญ่ของตนเองเี่ย เขไม่ได้ถือพุทธแต่เขาเป็นชาวพุทธในนามเท่านั้นเองนะอันนี้คือปัญหาที่สัมมากรรมมันต่เรื่องเดียวนะแล้วพูดถึงสามเรื่องวนสามวันไม่จบเลยนะเอาแค่เรื่องเดียวแค่นี้แหละลองดูว่ามันมันไปลากมันไปลึกขนาดไหนนะเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์เพราะฉะนั้นการที่ รัฐบาลมีกระทรวงยุติธรรมขึ้นมาแล้วตัดสินประหารชีวิตคนเนี่ยถือว่าเป็นบาปไหมนีมันก็ต้องบาปเพราะไม่มีเวลาที่ไปฆ่าสมาธิทียมิจฉาทิฏฐิเขาแต่ถ้าหากว่ารัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลสมาธิทิเป็นชาวพูดจริงเนี่ยก็มุ่งให้คนอบรมสมาธิิกับคนดิไอการที่เขาไปทําบาปทํากรรมทําอะไรเพราะเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็มุ่งที่ฆ่ามิจฉาทิฏฐิดิ จะจับคนไปประหารยังไงแต่อันนี้มันโอ้มิสฉาทิฐิประเภทที่แก้ไขไม่ได้เอออย่างงี้เขาบอกฆ่าทิ้งได้ไม่ไม่บาปบาปนั่นแหละฆ่าสัตว์ที่มันไม่มีวิสฉาทิฏฐิสมาธิมันก็ยังบาปอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นขั้นก็เน้นที่คนนะขั้าก็เน้นที่คนความเป็นสัตว์มันอยู่ในคนนะแล้วฆ่าความเป็นสัตว์ออก อ, อยังไปฆ่าคน พุทธเจ้าท่านแต่ว่าภิกษุทั้งหลายเทยจงทําลายป่าแต่อย่าทําลายต้นไม้หมายความว่าไงเธอจงตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้เข้าใจไหมอ่าคือไปทําลายในส่วนที่มันรกลุงลังไนงะแต่ว่าไอ้ส่วนต้นไม้ไม่ได้ทําให้รกนะแต่อะไรมันทำให้รกวัชพืชทั้งหลายอะ่ะก็ไปทําลายในจุดนั้นถ้าไม่ทําลายจุดนั้นเราจะอาศัยสถานที่ได้ไหมไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายเธอจงทำลายมิจฉาทิฐิแต่อย่าทำลายสัมมาทิฐิท่านต้องการสอนตรงนั้นท่านไม่ได้ไปให้ตัดป่าตัดต้นไม้จริงๆหรอกแต่ท่านอุปมา <c oughs> แต่คนมันก็ต้องการนะความโลภมันเข้มงวดมันก็เลยอ้าฉันพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำลายป่าได้แต่ไม่ทำลายต้นไม้มันก็ถือโอกาสเอาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปใช้แต่ความจรงิงท่านต้องการอุปมาหเห็นว่าเธอจงทำลายความคิด ที่เป็นอกุศลแต่อย่าทำลายความคิดที่เป็นกุศลเธอจงทำลายความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่าทำลายความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะถามก็เป็นความคิดเหมือนกันถ้าไปทำลายทั้งสองอย่างเราจะเอาอะไรมาสร้างกุศลล่ะเห็นไหมเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากเราต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะการปฏิบัติธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะจะทำแบบสะเพร่ารีบร้อนไม่ได้ นั้นเวลามันเน้นในเรื่องการออกกําลังกายอย่าทําแบบรีบร้อนทําแบบคํานึงถึงเนื้อหาของมันเนื้อหามันคืออะไรอย่าคานึงว่าจะทำให้เยอะเยอะทำได้ให้เหงื่อมันออกทําให้มันห น, นักหนักทาให้มันเร็วๆอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เป็นรูปแบบไม่ใช่เนื้อหาเนื้อหามันคืออะไรเนื้อมันก็นคือมีพลังอมีความหนักหน่วงนี่พลังกายพลังจิตนั่นแหละเนื้อหาของมัน ฉนั้นเองในจุดนี้อามาจริงอยากจะให้ฝากเอาไว้เพราะมันไม่รู้จะตายวันไหนอนะถ้าเกิดตายลงอย่างนี้ามาก็ไม่เสียดายละเพราะได้บอกในสิ่งที่ถูกต้องที่สุดละเพราะความแก่ความเกลียดความตายมันไม่ไม่ได้บอกใครว่าคุณจะตายเมื่อไหร่คุณจะเจ็บเมื่อไหร่เพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าสีของเราเนี่ยตอนเช้านี้มันไม่ป่วยตอนกลางวันมันอาจจะป่วยก็ได้ตอนกลาวันมันยังไม่ตายตอนชิดเย็นมันอาจจะตายก็ได้ เพราะมันอยู่ในกฎของที่จังทุกข์ขอหน้าตามันห้ามกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาอนุญาตให้เราไม่ป่วยเขาอนุญาตให้เราไม่เจ็บบ่อยไม่ป่วยบ่อยไม่ตายเร็วเราก็ได้ทําสิ่งที่ดีกับคนทั้งโลกได้อีกนานนะอันนี้เราไม่รู้ว่าไอ้อดีตกรรมของเราเราไม่รู้ว่าเราไปเคยไปฆ่าใครมาเคยไปเบียดเบียนใครมาเคยไปทําร้ายใครมาเราไม่รู้ทะนนั้นเลยมาตัดสินว่า หลวงพ่อขนาดสอนออกกำลังกายคลิมแข็งนะั้นทุกวันท่านยังป่วยเลยาท่านสอนความไม่ประมาททุกวันท่านยังตายเลยนี่เขาเรียกมองแบบด้านเดียวมองแบบไม่ไมไมไมครบไม่สมบูรณ์ถ้ามองแบบพรบแบบสมบูรที่ท่านเป็นอย่างนั้นในอดีต ท, ที่ท่านยังไม่เจอเรื่องนี้ท่านาจจะไปฆ่าใครมาท่านอาจจะเบียดเบียนใครมาท่านอาจจะไปทํำร้ายใครมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้รับเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะในส่วนนี้ส่วนที่ท่านทำไมอดีตที่ท่านเคยประมาทมาเนี่ยแล้วใครจะไปรู้ท่านอ่ะใช่ไหม เราก็เหมือนกันว่าเอ๊ะทำเราทําบุญขณะนี้ทำมายากจนอยู่ทำผู้ศูญขนาดนี้ทำํำมาเจ็บป่วยอยู่เนี่ยเราจะมาปนกันไม่ได้เพราะมันคนละส่วนกันเพราะฉในอดีตเราทําอะไรกับใครมาเนี่ยไม่ว่าอดีตในชาตินี้หรืออดีตในชาติก่อนก็นกนตามมานะเราก็นึกไม่ถึงเพราะเราเคยทําใครมาบางอย่างมันก็แก้ไขได้บางอย่างมันก็หักลบกลบเกินกันไปหมดไปบางอย่างมันหั ก, กลบเกินไม่ได้และแต่เจ้านี่ สมมติเราได้ปิณิเขาหนึ่งแสนบาทเนี่ยไอ้เจ้านี่บางคนมันทําใจได้เออถือว่าให้ทานก็นแล้วกันไอ้เราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมเขาไม่ตามแต่บางคนไม่ได้หนึ่งแสนบาทไม่งั้นเงินไม่ใช่น้อยนะฉันต้องเอาคืนได้ถ้าไม่ได้ฉันจะต้องฟ้องศาลเอาคืนศาลหรือมันก็นไม่ได้จริงฉันจ้างคนไปฆ่ามาันเฉยๆเนี่ยถ้าไปเจอเจ้านี่แบบนี้เราเดือดร้อนน่ะใช่ไหมกำบังตัวเหมือนกันกรรมที่เขาไม่ให้อาภัยเราเนี่ยเราต้องได้รับผลไม่มากกว่าน้อยกรรมบางอย่างมันหนัก กรรมอย่างมันบอกก็เจ้ากันไปมันยุมเงินได้พันสองพันเช่ามาเถอะถือให้ทานแต่บางคนพันสองพันมันก็ไม่ยอมนะใชื่อไหมูโมบางคนพันสองพันก็ไม่ยอมแล้วตามไม่ได้อ่ะทําไมท่นท่นเสียเงินเพราะเรื่องอะไรอะเงินของฉันนะใช่ไหมออไม่ได้ฟ้องวันเลยอ่าทีนี้ถ้าเป็นแสนสองแสนหมื่นสองแสนสองแสนขึ้นไปเนี <fick> ่ยมันไม่ใช่จะแค่ตามบอกเท่านั้นนะมตามเอาชีวิตด้วยนะอ่าถ้ามันแค้นขึ้นมานะ่ เนี่ยแค่เรื่องเรื่องแค่ศีลข้อเดียวเนี่ยแหละสมาสมตาข้อเดียวเนี่ยต้องเจาะให้ลึกไปเรื่อยๆดิเห็นได้ความจริงเท่านั้นเลยนะดังนั้นเองการอบรมการสั่งสอนนั้นไม่ใช่ว่าเขาว่าจะมานอกเรื่องวิธีการหัวเห็นก็บางครั้งเนี่ยเราต้องการเอาเรื่องละเอียดนนเนี่ยเข้ามาชี้แจงเพื่อให้เกิดสมาธิทิฏฐิ แต่ไปเดินจูงโง่ไปสาจังวะได้อารมณ์แล้วมันไม่มีปัญญาเดี๋ยวมันก็รักษาอารมณ์ไม่ได้อ่ามันเพี้ยนกันไปเท่าไหร่มันสึกไปเท่ผิดกันไปเท่าไหร่ไม่ได้คิดถึงส่วนนั้นบ้างเพราะนั้นมีคนยังไม่เป็นสมาธิที่บริสุทธิ์อ่ะถึงปฏิบัติไปได้เท่าไหร่มันก็กลับไปที่เดิมนะยเพราะต้นมันไม่ถูกปลายมันจะถูกได้ยังไงต้องมาแก้ที่ต้นมันนะเพราะนั้นเองในเรื่องประกอบที่จะทําให้เกิดสมาธิิฐแล้วเนี่ย เมื่อคนเป็นสมาธิทิฐิแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเดินเรื่องเดินจุกมุมสร้างจังหวะสร้างจังหวะเรื่องได้อารมณ์เป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ถ้าหากจิตของเรายังไม่เป็นสมาธิทิฐิที่ถูกต้องเนี่ยคุณจะเดินจุกุมสร้างจังหวะได้อารมณ์ไปทั้งปีเดี๋ยวกลับไปที่เดิมไม่เห็นนะครูบาอาจารย์ที่ได้อารมณ์ดีๆสิกกันไปคมครมๆนะเพราะอะไรเพราะทิฏฐิมันยังไม่เปลี่ยนความเห็นมันยังไม่เปลี่ยนนะนั้นให้เข้าใจซะใหม่ไม่สายหรอกนะไม่สายพยายาม บ่อยๆอันไหนที่มันทำยากทำสิ่งนั้นบ่อยๆนะอันไหนที่ทำได้ง่ายก็คนเป็นทำเป็นประจำอันไหนทำได้ง่ายแล้วไม่ทำแล้วมันง่ายใช่ไหมแต่ทำไมเวลาเราสวดทุกวันว่านโมทุกวันเอ่อใช่ไหมไม่เคยคิดยังไงใช่ไหมมันง่ายขนาดไหนแต่ทำามเวลาเรสวดทุกครั้งมันกลับมานนโมทุกวันเนี่ยอิติปนะิโสสะคตโต สุพนโนโท่ทาทุกวันน่ะมันง่ายแสนง่ายไปว่ามันทำไมอีกนั่นแหละสิ่งไหนที่ง่ายแล้วทําสิ่งนั้นเป็นประจํากินข้าวทุกวันง่ายจะตายแต่ทำไมต้องกินทุกวันนะหายใจทุกวันง่ายจะตายทําไมหายใจทุกวันอันไหนที่เป็นศัจธรรมแล้วต้องทําสิ่งนั้นเป็นประจําไม่ทําไม่ได้ไม่ทําเราอยู่ไม่ได้อย่างหายใจมาตั้งแต่เกิดจนตอนนี้โอ้หายใจมานานเนอะเลิกันสักสี่นาทีพักสักสี่นาทีเนี่ยผูดได้ไหม ามาจำชื่อคุณไม่ได้เน้วคุณโอ้โหหายใจมานานแล้วเป็นสิบสิบปีแล้วเนี่ย <c oughs> พักจักสิบนาทีก่อนเนี่ยพูดได้ไหม <c oughs> พูดได้แต่ชีวิตรอดไหม <c oughs> ไม่รอดน ะ, ะเหมือนกันนะกินข้าวมางคกินมาตั้งแต่เกิดจะไปกินใรเล้งหนาะแล้วกินมาสักอเดือนสองเดือนน ะ, ะไม่ได้ตายนี่ยอันไหนที่เป็นสัจธรรมแล้วเนี่ยมันต้องทําสิ่งนั้นไปจํา นะแต่ว่าก่อนที่จะเอามาทําให้มันเป็นประจําได้ต้องพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่ามันเป็นของจริงมันเป็นสิ่งที่จําเป็นทิ้งไม่ได้อย่างเจริญสติเนี่ยเราก็มีสติมันถึงจะเกิดแต่ท่านไม่ต้องมาเจริญมันมอีกละเพราะมันเป็นสติที่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเป็นสติสมบูรณ์น่ยมันครอบคุมทั้งเรื่องสมมุติทั้งเรื่องประมัดทั้งเรื่องคดีโลกทั้งเรื่องคดีธรรมทั้งเรื่องรูปทั้งเรื่องนามทั้งเรื่องกายเรื่องจิตมันต้องครอบคุม นะถ้าหาว่าเจริญสติแล้วมันได้แต่เรื่องจิตเรื่องเดียวแต่กายไม่สนใจเนี่ยมันก็ไม่ครอบคุมก็ไม่สมบูรณ์ได้แค่ห้าสิบเปอร์ซ็นต์โอ้ร่างกายนี่มันไม่นอนไนเรื่องอันนี้ช้ำทุกขังอันตรายไปสนใจมันมากเลยต้องเอาเรื่องจิตให้ดีกันก็แล้วกันพูดอย่างนี้แบบพูดแบบไม่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นอาจารมาไปพูดเรื่องนี้ที่ไหนคนที่เขามีสมาธิที่จะไม่สมบูรณ์เขาก็รับไม่ได้เขาก็ว่าอาจามาเพี้ยนไปอะไรไม่เชื่อไม่ได้นะฮะเชื่อไม่ได้ อันนั้นพยายามซื้อใหม่ไม่สายหรอกนะถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่นะถ้าเราทำถูกต้องสมบูรณ์จริงๆถ้ากรรมเก่าเขาไม่รุนแรงเกินไปเนี่ยเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายง่ายด้วยไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายนะแต่ถ้ามีกรรมอดีตมารุนแรงเราไม่เคยรู้อย่างที่ว่าเมืเ่อกี้อ่ะนะทามาใหา้กินดีๆอ้าววันหลังเขาฟ้อง ย้อนหลังใช่ไหมไอ้คนไปเสรษฐีดีๆล้มละลายเลยก็มีนะเขาฟ้องย้อนหลังเลยนะหมายความว่าทรัพย์สินทั้งคุณทั้งหมดที่มาเนี่ยมันผิดมาตลอดพระฟ้องย้อนหลังแล้วเรามีทรัพย์สินแค่สี่ห้าล้านแต่ไอ้คุณทําผิดมาเป็นสิบสิบล้านนะฟ้องทีเดียวตูมเดียวหมดเลยเป็นนี่อีกต่างหากติดคุกอีกต่างหากเห็นไหมอันนี้คือกฎของกรรมแล้วก็ในอมีการมีเยอะถูกฟ้องย้อนหลังเพราะมันทําแอบๆทํามาตลอดจนกระทั่งมันมัน เป็นเศรษฐีมันยังล้มละลายได้อันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของเราสามารถล้มละลายได้แม้จะทําดีอยู่ก็ตามนะบเราจะถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมเนะี่ยเราจะไม่แปลกใจว่าทำไมคนนั้นปฏิบัติดีๆเป็นคนดีนะทําไมเขาเป็นอย่างนั้นเราจะไม่แปลกใจเพราะอากุศลกรรมในอดีมันฟ้องย้อนหลังให้นะมันตีตลบหมดเลยนะไอ้หลวงพ่อนั้นปฏิบัติทำมาเป็นขัข้นพระรหันตนะ์เนี่ยทำไมท่านเป็นเอามาพึ่อามาพาตาย่ะ เออหลวงพ่อเาเป็นข้ า, าหารนะทำไมท่านเป็นมะเร็งตายอะเจ้าถ้าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วเราจะไม่แปลกใจแต่ที่เราแปลกใจเพราะเราไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องทําความเข้าใจเรื่องสัมมากระมันตะให้ได้แต่กรรมหนักทั้งหลายทั้งปวงถ้าไม่หนักหนาสาหัวจริงๆเนี่ยเราสามารถชําระได้แต่ถ้ามันหนักจริงๆนั้นชาระไม่ได้แบบที่ที่แล้วมาน่ย เราเป็นหนี้ใครมากๆมันอภัยกันไม่ได้มันเจ้ากันไม่ได้ต้องต้องแก้กันไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เมื่อเราเกิดสมาธิิฐอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่เราจะไปทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ถูกต้องเราก็ทําไปเรื่อยเรืนะ่อยเรื่องสมารกรรมันตะเรื่องเนี้ยว่าไม่ฆ่าสัตวนะ์อ่าอย่างเดียวเนี่ยมันครอบคลุมไปขนาดนนีน่้แค่ไม่ฆ่าสัตว์เรื่องเดียวหมดเวลาแล้วนะ ไปพูดถึงเรื่องรักทรัพย์อีกองีอ้ยกินวิไลไปพูดถึงเรื่องประพฤติผิดในกามนักเข้าไปอีกเนี่ยเอาไปวันต่อไปก็แล้วกันนะถ้ามีเวลานะในวันพรุ่งนี้หลวงพ่อกำลังขึ้นเหนือนะไป ท, ทําธุระหน้าที่นั่นเราจะเห็นว่าเรื่องคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในหูเป็นเรื่องเล็กแย่อนลึกซึ้งเราประมาทไม่ได้เลยยิ่งศึกษายิ่งปฏิบัติไปยิ่งเห็นมีคนหลายคนท้วงเออหลวงพ่อรู้เข้าใจแล้วดับทุกข์ได้แล้วทําไมหลวงพ่อต้องปฏิบัติอีกอ่ะ นั่นแหละคุณความเข้าใจผิดไอ้คนที่เข้าใจแล้วที่ปฏิบัติให้หนักทีเดียวเพราะอะไรเพราะเพื่อไม่ประมาทพระพุทธเจ้าเน้นสอนเพื่อความไม่ประมาทนะว่าความเพียร น, นั้นแม้แต่พระรหันต์พรพุทธเจ้าท่านบรรลุทํามพันสูงชันก็จะเดินจงกรมทําสมาธิอยู่เป็นนิสัยของท่านนะเพื่ออะไรเพื่อเป็นแบบอย่าง เพื่อสรงไว้ซึ่งธรรมในสิ่งที่ดีงามเป็นแบบอย่างแก่อนุชนนั่นคือท่านทําสื่อพ่อพระศาสนาของท่านแล้วพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ที่ท่านไม่มีบารามีตรงเนี้เพราท่านบรรลุธรรมเข้าใจธรรมโดยเฉพาะพระประเจกวุเจ้าท่านเข้าใจธรรมบรรลุธรรมเห็นธรรมหมดทุกแล้วนั่นก็ไม่ต้องสอนใครอ่ะอันนี้บารามีมาสร้างไม่เหมือนกันบางคนเห็นธรรมเข้าใจธรรมแล้วไม่ต้องสอนใครไม่ไม่มีนิสัยในการสอน ไม่มีบา ร, รมีในการสอนท่านก็ไม่ก็ถือว่าท่านผิดไม่ได้เพราะท่านไม่ได้สร้างบุญกุศลมาตรงนั้นนะอะนั้นจุดนี้เราต้องเข้าใจในเรื่องของสัมมากัมมันตะและสัมมากัมมันตะที่ท่านเน้นที่สุดที่จะเป็นองค์วิปัสสนาก็คือเป็นปัจจุบันกรรมจะไม่เน้นเรื่องอดีตกรรมหรืออนาคตรกรรมเป็นปัจจุบันกรรมว่าปัจจุบันกรรมเนี่ยทางกาย เรากำลังพูดทางกายเรารู้กำลังรู้สึกอะไรอยู่กำลังเคลื่อนไหวอะไรอยู่เอาสติสัมยาเข้าไปรู้ทางวาจาเรากำลังพูดอะไรอยู่เรากำลังใช้วาจาอย่างไรอยู่เข้าไปรู้เอาสติสัมยาเข้าไปรู้ทางจิตเรากำลังคิดอะไรอยู่เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่เอาสติสัมยาเข้าไปรู้โดยสติสัมยาเข้าไปรู้กรรมเหล่านี้มันก็เกิดเป็นกุศลกรรมเห็นไหม เป็นกุศลกรรมขั้นสูงด้วยนะแต่บางคนรู้นะพูดก็รู้คิดก็รู้ทำก็รู้แต่ว่ารู้อย่างผิวเผินไม่ได้รู้ลึกเข้าไปนั้นมันก็เป็นกรรมดีธรรมดาไม่ได้เป็นกุศลกรรมกุศลกรรมก็มีหลายชั้นนะชั้นต่ำชั้นกลางชัน้นสูงแต่ว่าวิปัสสนานี่เป็นกุศลกรรมขั้นสูงนะมันก็จะครอบคลุมถึงกรรมชั้นกุศลกรรมชั้นต้นชั้นกลางอีกทีหนึง่งนะ แล้นั้นเราจะทำอย่างไรให้ตัวสติสมญะที่เป็นวิปัสนาเนี่ยให้เข้มแข็งก็ต้องทำสิงส่งนั้นบ่อยๆเข้าใจสิ่งนั้นบ่อยๆอย่างที่กล่าวมาเบื้องต้นไอ้สิง่งไหนที่ทำดีอันดีแล้วเนี่ยเข้าถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถูกต้องตามธรรมวินยัยถูกต้องตามเหตุหลักที่เหตุผลแล้วทำสิ่งนั้นเป็นประจำพูดสิ่งนั้นเป็นประจำไม่ผิดคิดสิ่งนั้นเป็นประจำไม่ผิด ไม่ทุกข์ด้วยนะถ้ามันถูกต้องไม่ทุกข์นะนี่พุทธิชาท่านยืนยันเพราะฉะนั้นในองค์ของมรรคทุกองค์เนะี่ยท่านเอาตัวถูกต้องเป็นนำหมดเลยคําว่าสัมาาถ้งแปลว่าถูกต้องนะถูกท่วนดีแล้วคําว่าสัมมาถนั้นแนหะสมาทิฏฐิสม า, รถถสมารกรรมตานจนไปถึงนู่นสัมมายานสมาวิมุตินั่นนะเป็นมรรคสิบไม่ใช่มรรคแปด น, นะที่ครบถ่วนเลยเพราะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยอย่าทําให้เป็นเรื่องหนักใจ แต่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจไม่ใช่เรื่องท้อใจไม่ใช่เรื่องฝืนใจไม่ใช่เรื่องทำใจแต่เป็นเรื่องเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันมีความสุขตั้งแต่ต้นเลยเหมือนกับเราทำเลขข้อนึงตอนแรกทำเรื่องความไม่เข้าใจเอาไปส่งครูตรวจที่ไดผิดมาทุกทีไปทำความเข้าใจกับครูเลยว่าครูทำให้ผมวีทีแล้วก็ทาตามครูอย่างถูกต้องทีนี้ามาทามันไม่ผิดละ เมื่อมันรู้ว่ามันถูกอย่าอยู่แค่นั้นทำสิ่งที่ถูกเลขข้อนั้นที่ทําแล้วมันถูกทําซ้ําอีกซ้ําอีกหลายๆลครั้งจนกระทั่งว่ามันจําได้แม่นในข้ออื่นสูตรอื่นมันก็จะมาลงล็อกเดียวกันแล้วถูกข้อนี้เข้าใจข้อนี้ข้อเดียวข้ออื่นมั น, น, นก็จะถูกไปด้วยที่เป็นลักษณะสูตรหรือหลักอันเดียวกันนะดังนั้นเรื่องกรรมก็เหมือนกันมันละเอียดมันลึกแต่ว่าไม่เกิน สติปัญญาที่มนุษย์จะเข้าใจได้อยู่ในวิสัยของมนุษย์ที่จะเข้าใจได้อย่าไปเบื่ออย่าไปท้อนะทีนี้ในส่วนปัจจุบันกรรมเนี่ยจะเข้าใจอย่างไรกรรมที่เป็นกุศลที่เป็นปัจจุบันกรรมนะคือคำว่าปัจจุบันเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่หูกาลังได้ยินอยู่นะ จมูกได้กลิ่นลิ้นริมลิ้รดกายสัมผัสใจรู้อยู่เนี่ยเป็นปัจจุบันขณะนี้สมมติใจรู้อยู่รู้อะไรรู้กาาํกาลังพระกำลังพูดให้ฟังก็รู้ความหมายที่ท่านพูดรู้อยู่แต่ว่าเพอแว บ, บเดียวอเรื่องนี้ที่ฉันฟังจากอาจารย์ค น, นแวบบจิตขณะนั้นไม่ได้เป็นปัจจุบันแล้วใช่ไหมเป็นอะไรเป็นอดีตแล้ว ไปอดีตไปแล้วเพราะว่าขณะนี้พระกำลังพูดเนี่ยก็ฟังอยู่แต่ว่าจิตหนึ่งคิดนึ่งไปถึงอาจารย์องุ่นโอ้ท่านพูดเหมือนกันเปรียบเลยนะจิตก็ไปนึกถึงควาสองของอาจารย์องุ่นเลยครับแต่ขณะนี้ไม่ได้ยินแล้วคือได้ยินแต่ ว, ว่ามันไม่มันไม่เข้าใจไม่เข้าไปสู่ใจเข้าไปสูวดีตอนาคตอันนี้เขาเรียกว่าไม่เป็นปัจจุบันาการรมถึงอยู่กับสิ่งนั้นก็จริงแต่ไม่เป็นปัจจุบันหรือแวบเรื่องอะไรขึ้นมาโอ้ผู้นี้ต้องกลับบ้านนะเนี่ย ฟังไปฟังมาวันนี้ต้องกลับบ้านคิดถึงเรื่องบ้านแป๊บไปเลยอ่าใจไปอยู่ในอนาคตแล้วใช่ไหมอ่ า, อาจะกลับยังไงจะไปยังไงจะขึ้นรถที่ไหนจะต่อรถที่ไหนเพลินไปนน่นเลยแต่สิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้ยิ น, ม, ยน <c oughs> มันเป็นเรื่องแปลกในนี่คือเรื่องปัจจุบณัติกำมมันเผลอสดิ <c oughs> แป๊บเดียวเนี่ยเป็นเรื่องอดีตอนาคตทันทีเลยนี่เขาเรียกว่า กุศลที่เป็นปัจจุบันนะักรรมไม่เกิดไม่เป็นที่ศาสนาในขณะนั้นแต่คดีที่อยู่นั่งฟังอดทนฟังหรือคดีอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นบุญอยู่หนอเพราะฉะนั้นเวลาไปสแสดงธรรมที่ไหนเนี่ยมาจากกะาจะ ก, กระตุ้นคนฟังให้ตั้งใจเสมอถ้าไม่กระตุ้นคนฟังเขาฟังแล้วเขาลังพูดกันคุยกันเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้มันเป็นบาปเป็นบาปเพราะอะไรมันเป็นอกุศลเพราะฟังไม่เป็นโบราณเขาก็เลย จราเอาเลยเนี่ยขนาดฟังฟังเทศพระนะจะไปคุยกันนะเกิดไปชาติาหูเฉนวกตาเฉบอดเขาคุยอย่างนั้นเลยนะโบราณนะมันก็หูหนวกตาบอดจริงๆี่ยก็คือจิตใจมันบวกมันบอดมันหนวกนั่นเองเนะบางอย่างเนี่ยโบราณพูดเราไปนึกถึงรูปรธรรมมันเลอกเป็นเรื่องน่ากลัวแต่พอมาพูดถึงเรื่องนานมปรธรรมแล้วมันเป็นจริงอย่างเช่นคําว่าน่ารกเนี่ยเป็นคาพูดที่น่ากลัวใช่ไหม แต่พอมาพูดถึงนรกที่เป็นปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่น่าคิดอะไม่ใช่น่ากลัวนะเป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้เข้าใจหลักปัจจุบันกรรมเนี่ยเพราะมันแก้ปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้สมมุติว่าร่างปัจจุบันกรรมถ้าสมมุติว่าเราไม่เพลินนะนะเราก็นั่งได้นานใช่ไหมมันปวดก็ขยับไปมันเมื่อยก็เปลี่ยนแปลงไปนั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ แต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีปัจจุบนัน ก, กรรมที่เป็นวิปัสนาหน้าแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะแย่อยู่แล้วปวดก็ไม่เปลี่ยนปวดก็ไม่พลิกพลิกช้าไม่ทันการทัานการค่อสังสมอกุปโภคกรรมไปเรื่อยดีคือความไม่สบายเห็นไหมเรื่องนี้ละเอียด น, นะเอามาสังเกตว่าคนไหนที่ปฏิบัติวิปัสนาเป็นเลยเอามาดูตรงนั้นดูกายกรรมของเขาดูวัชิกรรมของเขาดูมโนกรรมของเขาเพราะนั้นก็ไม่แปลกใจว่าเอ๊ะพระ ที่ท่านเข้าถึงธรรมแล้วท่านรู้ใจไม่ใช่ เ, เรื่องยากอะไรเป็นเรื่องง่ายๆนะ่ะดูกันง่ายๆดูที่กรรมมันนั่นเองไม่ได้ไปดูจิต ด, ดูใจให้มันยากนะดูที่กายอากรรมวิจิกรรมมนุกรรมเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นในการที่ไปดูจิตดูใจคนรู้จิตดูใจไม่ใช่เรื่องพิเศษพิสูอะไรเป็นเรื่องธรรมดามากแต่เนื่องจากไม่เข้าใจกฎของกรรมมันก็เลยถือเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นดีกว่าเรื่องนี้ก็ไป โ, โมทฆษณาอาจารย์ก็ไปชี้แจงอาจารย์ก็ถือโอกาสโหนกะระแสไปเลยอาจารย์ก็อยากดังเหมือนกันพระธรรมดาก็อยากให้เขายกย่องเชิดชูบูชาตัวเองลาบสักการะจะได้มาอย่างเงี้ยไม่ทักท้วงเขาเข้าใจผิดเขาไม่ทักท้วงเขเข้าใจไม่ถูกนะท่านนะโยมก็ไม่กล้าทักท้วงกลัวเป็นบาปอีกเห็นไหมพระก็หลงตัวเองอ่ะใช่ไหมก็ไม่กล้าที่จะไปปราบโยมเอโยมพูดอย่างก็ไม่ถูกนะ เดี๋ยวมันเสียหายแต่มาพูดไม่ได้เกรงใจกลัวยุมเสียศรัทธาทั้งท้งที่มันเป็นจริงนะถ้าเอาสิ่งที่ไม่เข้าใจไม่ถูกเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ไปพูดในทางไม่ถูกเนะี่ยทําให้ครูาอาจารย์เสียหายได้ทําให้คนอื่นเขาที่เขาไม่มีศรัทธาหรือเขายังเป็นวิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขามองเราผิดได้ใช่ไหมดังนั้นเองเรื่องนี้ต้องระมัดระวังต้องสำรวมระวังทีเดียว เราจะเห็นว่าอะไรมั น, นง่ายททำในพุทธศาสนานี่ไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นพุทธศาสนานี่จะยืดมาถึงสองสามพันปีถ้ามันไม่เป็นสัจธรรมแต่เราหาบุคคลที่มีศรัทธาและปัญญายากเหลือเกินในสังคมของวัตถุนิยมในสังคมของยุคมิคารชันดีอย่างนี้นะนะแต่เราก็โชคดีถ้าหาคนได้พบกันกถือว่าโชคดีแล้วก็แบ่งปันในสิ่งที่ดีๆแก่กัน ดังนั้นจึงไม่อยากให้เสียเวลาที่จะมาที่นี่ยงก็จะมาที่นี่ได้ยงเสียอะไรบ้างเสียอะไรได้เสียเวลาเสียโอกาสเสียความสะดวกสบายเคยได้กินอย่างถูกใจก็ไม่ได้กินเคยไปเที่ยวอย่างสนุกก็ไม่ได้เที่ยวเคยได้พบคนที่ถูกใจก็ไม่ได้พบอย่างงี้นะเห็นไหมแล้วก็เสียโอกาสหลายอย่างแต่เมื่อเราเสียในส่วนนั้นแล้วเนี่ยเราคนจะได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทน ก็คือสมาทิฏฐิเป็นสิ่งแต่แผนสูงสุดนะดังนั้นในจุดเนี้อามาทังบอกว่าพยายามทําความเข้าใจแล้วแล้วแเราแล้วก็จะไม่ย้อนพูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของสมาธิฏฐิแล้วพูดไปบ่อยแล้วนะว่าพูดถึงเรื่องกัณยามิตเรื่องของยโยนิโสมณิจการพูดไปบ่อยแล้วนินไปบ่อยแล้วแต่ในที่นี้จะเน้นถึงเรื่องว่าสมาธิฏฐิที่เป็นองค์ของกรรมที่กรรมสมารกรรมมันต์เนี่ย เกี่ยวข้องกันมักทุกมักจะสอดร้อยประสานกันเหมือนโซ่จะไม่ทิ้งกันเหมือนโซ่ข้อนี้เกี่ยวข้อนี้ข้อนี้เกี่ยวข้อนี้เนี่ยเน่ยสมมากรรมตะจะเป็นสมมากรรมตะได้ก็ต้องเป็นเกี่ยวข้องข้อแรกโซ่ข้อแรกคือสมาติทิถิถ้าไม่มีสมาธิทิถิมันเป็นสมมากรรมตไม่ได้อ น, นี้ลักษณะของคําสอนของพระสมมาสมุทัยที่ถูกต้องต้องสอดคล้องประสานกันไม่ได้แยกส่วนใครส่วนมัน ปันก่อนเอามาไปอบรมพระสอนศีลธรรมแต่วัดเชียภูมิสองร้อยกว่าคนเนี่พูดถึงเรื่องบูรณาการในการสอนศีลธรรมว่างั้นเขายังไม่เข้าใจเลยว่าบูรณาการหมายถึงอะไรใช่ไหมก็ ข, ขยายความให้ฟังอ่ะบูรณาการหมายถึงเนี้ยทุกอย่างมันต้องสอดร้อยประสานกันสัมพันธ์กันเหมือนกตะมือของเราห้านิ้วเนี่ยเขาเรียกว่ามันบูรณาการ ถ้าสี่ดินน้ำลงไฟอ่ะโดยธรรมชาติมันบูรณาการทั้งคือมันสัมพันธ์กันขาดท่าใดท่ า, ทาหนึ่งสี่นิ้วเนี่ยห้านิ้วเนี่ยถ้าขาดท่าใดท่าหนึ่งถือว่ามือ น, นั้นปกติไหมมันผิดปกติแล้วเนี่ยทํางานก็ไม่เต็มที่ถ้ามันเหลือ2นิ้วยิ่งแย่เลยเหลือนิ้วเดียวยิ่งแย่เลยทำอะไรไม่ได้เลยเห็นไหเอ่าและคำว่าบูรณาการหรือครบวงจรพระเจ้า ท, ท่านตรัสรู้มาแล้วสองสามพันปีแล้วไม่ล้าสมัยคนทุกวันนี้เพิ่งค้นพบอย่างเงย คำว่าบูรณาการหรือว่าใช้คำว่าฮลิสติกเป็นภาษาอังกฤษโฮลิสติกคือองร์รวมเอามาใช้บูรณาการพะะฉนั้นพยายามตั้งใจซะใหม่อันไหนที่พูดผิดไปพูดใหม่ได้อันไหนที่ทําผิดไปทําใหม่ได้อันไหนที่คิดผิดไปคิดใหม่ได้ไม่สายหรอกแต่เราทําผิดพูดผิดคิดผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการ แล้วใครมาทักมาทวงมาบอกก็ยังดันทุจรังทำไปเรื่อยๆอันนี้ช่วยกันไม่ได้เลยแต่ว่ามันเป็นผลเสียเสียต่อพระศาสน า, ศาทำให้อย่างสมุปนุธรอามาเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ถ้าพูดอะไรออกไปถ้ามันผิดพลาดเนี่ยมันเป็นผลเสียต่อส่วนรวมยาวนานนั่นมาถึงได้บอกว่าผู้ที่ปฏิบัติเข้าใจดับทุกข์ได้บ้างแล้วเนี่ยจะทาน้อยไม่ได้ต้องตรวจสอบให้มากทีเดียว ถ้ามีอะไรผิดาพาดเป็นผลเสียหายต่อพระาศาสนาระยะย า, ยาวแล้วก็พระพุทธศาสนาสืบทอดมาถึงวันนี้ได้เนี่ยพระอรียเจ้าพระรานทั้งหลายท่านสืบทอดมาถึงเราสองสามพันปีนะถ้าท่านเหล่านั้นไม่ขยนันไม่อดทนไม่มีตัวตรวจสอบพระศาสนาก็ยิ่ยากมาได้มาถึงขณะนี้นะตอนนั้นเรามายุคปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่แยกไายไม่ตรวจสอบแล้วไปใช้ศาสนาท่านผิดผิดทำบาปนะบาปเลือด เราไม่รู้จะไปตกนรกกี่พบกี่ชาติอะเดือดร้อนนั้นเราปฏิบัติวิปัสนาแล้วถ้ามันถูกมันดีขึ้นทางกายทั้งใจมันสบายขึ้นทางกายทั้งใจแล้มันถูกต้องแต่ปฏิบัติวิปัสนาแล้วมันทุกข์แล้วเยะว่าแต่ใจกาย ก, ายก็ทุกข์ด้วยเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างต้องไปตรวจสอบนี่ลองไปตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกแต่ในเมื่อมันอยู่ในความหลงผิดความเข้าใจตัวเองผิดเนี่ย ตัวนี้แหละพระทธเจ้าตําหนิมากๆเลยเป็นมิจฉาทิถีอยู่เนี่ยนะท่านแต่ว่าไงท่านบอกว่าโจรเห็นโจรคนมีเวรหนค น, คนมีเวรกันอาฆาตมาร้ายกันอย่างดูแด้งมันเจอแล้วมันฆ่ากันเลยเจอแล้วมันทําร้ายกันเลยนะแต่อันนั้นยังไม่ร้ายแรงเท่ากับคนเป็นมิจฉาทิฐิขนาดนั้นนลยเพราะอะไรคนที่มันเป็นจัตูคู่ฆ่าฆ่ากันมันตายชาตินี้ชาติเดียวจบแต่คนเป็นมิจฉาทิฐิมันมัน มันต้องถูกฆ่าไปทุกภพทุกชาติอ่ะมาดูแรงขนาดนั้นอ่ะดังนั้นแค่มรรคแปดองแรกองค์เดียวเนี่ถ้าหาพวกเราทําความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนมากพอยมันเพียงพอในการที่จะมาแก้ไขพฤติกรรมทางกา ย, ยกรรมวิจีกรรมมโนกรรมของเราเนี่ยมันครอบคุมทั้งหมดก็ว่าได้ซึ่งได้กล่าวหลายๆครั้งว่าแค่สมามัคคีติองค์เดียวเนี่ยท่านตัดครอบคลุมไว้ทั้งหมดเลยท่านตัดว่าไงท่านบอก สัมมาทิฏฐิส ม, มารานาสัพพทุกขาวก จ, จะคุ้มผู้ใดก็ตามมีสัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องบุคคลนั้นจะพ้นจากทุกข์และปัญหาทั้งหมดทั้งปวงได้ถ้าไม่ได้อ่อยางถึงมักอย่างอื่นเลยใช่ไหมเหมือนกับสัมมาทิฏฐิคือหัวขบวนรถไฟอ่ะมันมีหัวขบวนเดียวเนี้ยน่ะไอ้ท่านโบกี้ข้างหลังมามันจะมีกี่สิบตู้ไปได้กันหมดใช่ไหม แต่ถ้ามาหัวขาดหัวขบวนขบวนเดียวไอ้ไอต้ตู้ขบวนโบกี้่ต่างมันจะไปถึงเป้าหมายไหมไม่ถึงเช่นเดียวกันสมาธิิมันเป็นหัวขบวนของเศรธรรมหัวขบวนของมรรคก็จึงอยากจะให้้หเห็นความสาคัญในจุดนี้ไปตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองทําอะไรที่มันทุกขมันไม่สบายเนี่ยมันผิดพลาด ท, ทุกไหนกายก็ยิ่งแก้ไขได้ง่ายแต่ถ้ามีความเข้าใจผิดพลาดเป็นวิชาทิฐิแล้วเนี่ย ก็ไปเข้าใจไปอีกแบบว่าเรื่องของกายนะไม่ใช่มันป่๋ยก็เป็นเรื่องของมันไปสนใจมันเลยแค่นี้ก็ถือว่ามีฉาติถีแล้วอดูแลจิตใจให้ดีดนะ ท, ทําจิตใจให้มันให้ได้ก่อนกายยังไงก็ได้เนยอามาก็บอกว่าใช่มันถูกครึ่งเดียวไม่ถูกทั้งหมดเราเกิดมาใจมันเกิดมาจากอะไรมาจากกายกายเกิดมาจากอะไรมาจากใจอิงอาศัยกันเกิดขาดขาอะไรข้าหนึ่งไม่ได้เหมือนไม้สองขานี่ยถ้าตัด อีขาหนุ่จะอยู่ได้ไหมล้มนะเรายืนขาเดียวก็ยืนยากอยู่แล้วใช่ไหมเขาทึงให้มาสองขาเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวสมาธิถิก็มีสองขาเหมือนกันก็มีกายยานิมิตกับมีโยนิสุโมนิสิการกรยยานิมิตเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดศรัทธาโยนิสุโมนิสิการเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญาใช่ไหมแค่นั้นศรัทธาและปัญญาจึงเป็นองค์สําคัญที่จะทําให้เกิดสมาิธิ อ่าถ้าเรามีความเชื่อถือความเชื่อมัน่นความเร่มใสซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะทําตามอย่างถูกต้องเราจะทําตามซึ่งกันและกันอย่างแต่เรามีศรัทธาไม่มีความร่วมใสกันอย่างเต็มหัวใจแล้วเนี่ยโอ้ยสอนอะไรดีขนาดไหนก็ไม่เอาด้วยดีไ ด, ดีว่าเราผิดต่างหากนะเพราะฉะนั้นเรื่องศรัทธาและปัญญาเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากในในการเข้าสู่ศาสนาเมื่อเราไปตรวจสอบของเราเองเนี่ยศรัทธาต่อพระศาสนามีศรัทธาต่อพุพทธธรรมพระสงฆ์มี แต่ศรัทธาต่อก็เลยมิชันยังไม่แน่ใจ่นะเพราะอะไรเพราะยังสงสัยยังไม่ได้ตรวจสอบนะนั้นเราศรัทธานั้นให้มันเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์และถูกต้องอย่าไปศรัทธาแบบงมงายและเลือกศรัทธาอย่ถูกต้องบริสุทธิ์นั้นก็คือการพัฒนาปัญญาศรัทธานั้นจะไม่หลงไม่งมงายได้ต้องมีการพัฒนาปัญญาด้วยอาศัยซึ่งกันและกันถ้าปัญญาไม่หมดจดสะอาดพอศรัทธ า, า จ, จะงมงาย และสถาไม่เข้มแข็งพออาจจะปัญญาอาจจะไม่สมบูรณ์เห็นไหมอิงอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นในช่วงเช้าวันนี้หลวงพ่อมาพูดถึงเรื่องสมากรรมนักถึงแม้ว่าจะไปเพียงซิกเดียวในสามซิกนะ <ST Oui. S 1> ก็ที่เหลือเอาไว้วันต่อไปปีต่อไปเดือนต่อไปถ้ามีโอกาสก็จะเพิ่มอีกนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่ศึกษาและเรียนรู้สีเหล่านี้อย่าง ศรัทธาและยังปัญญาขอให้ความตั้งใจจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุถึงสัมมาทิฏฐิโดยการทุกคนทุกท่านถือ